50 languages. 22. การสนทนาสโลกามูรคุณสูบบุหรี่ไหมคะนีวูมาปานามาุตีรดิฉันเคยสูบค่ะ มุ่งเจมาดุติดเดแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้วอาเดเรอีกาดูมาปานามาดุดุดิลละรบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี่นานู้ดูมาปานาม่ด้เดเรนิมะเกตุนเดเรอากุตตะดเไม่เลยค่ะอม่ลยหันดีตาไมล มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะอดูุนันเกตนดเรมาดูดิลลาคุณจะดื่มอะไรไหมคะเยนันนาดาโรคุดิวิราบรันดีไหมคะบรันดีไม่ค่ะดิฉันชอบเบียมากกว่าเบดาเบียร์วาซี คุณเดินทางบ่อยไหมคะนีวุบหลฮระายามาดุตีระบ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจเฮาดูเอาุกัลลิเหตุนับวุเววหารสัมันิตแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนอาดะเรนาวุอีกาอิลลิรัจยลลอิดเดเว ร้อนอะไรอย่างนี้อับบาเยนูเซเคใช่วันนี้ร้อนจริงๆฮาวดูอินดูนิจวาเกียวตุ้มบาเซเคยากิเดเราไปที่ระเบียงกันเถอะอุปปริเกมกสาเลเกโฮกนเวพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ น้าเล่ยิ่ลีวันดูสันทโศกูตาอเด่คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะนิบุสหะบรวีระค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วยเฮาดูนามบุสหะอาวหานอเด่